เป็นที่ยอมรับกันแต่โบราณมาว่าแผ่นดินดาลสยามเป็นแผ่นดิน สารคดีชุดท้องแดนอริยสงฆ์แห่งสยาม ทิสัพโตอาคันติมายาอิติเทพเจ้าผู้เหยียบน้ําหรือหลวง ปัตตนีเมืองแห่งต้นกําเนิดของสมยานาหลวง 400 ปีเศษล่วงมาแล้วแม้ว่าสงขลาและ มนเสน่นกน้ํางานหาดมหาราชพระสญาตข้าลนผลิตผลต้นต่างตํานานหลวงปู่ท่วษย่อมแสดงให้เห็นว่าในจิตใจของชาวสถิ่งพระทุกคนนั้นยังยึดมั่นสัธาและภาคภูมิใจในตํานานหลวงปู่ท่วษของพวกเขายา่านแนบแน่นเสมอมาก และจากข้อมูลจากรวมทั้งหลักฐานจากสถานที่จริงมูลตํานานรวมทั้ง เมื่อ 2125 ตรงกับวันศุกร์เดือน 4 ปีมะโรงณบ้านสวนจันทร์ของเศรษฐีป่าน พระนางกำเป็นที่พึ่งแกปวงชนให้กำเนิดทารกน้อยผู้ซึ่ง สถานที่บ้านสวนจันทร์ดังกล่าวนี้ปัจจุบันก็คือบ้านเลียบ 2 กิโลเมตรเอ่อบริเวณตรง ตรงนี้เป็นบ้านของทวดจันทร์ทวดจันทร์ซึ่งเป็นแม่ของท่านแล้วก็ทวดหูในบริเวณนี้เมื่อก่อนเนี่ย เป็นนายอานของอ่าทวดหูทวดจันทร์ซึ่งท่านเป็นพ่อแม่ของ มีขนาดลำต้นใหญ่โตเป็นที่เคารพสักการะของ ตักมาโปรดกระท่อมอยู่ที่นี่ป่ามะพร้าวที 40 กว่าถึงจะมีลูกพอมีลูกกันนั้นกับหลวงปู่ ที่เห็นเป็นเนินอยู่ส่วนนั้นนะครับที่ทาง เอ่อซึ่งเมื่อก่อนนั้นทางชาวบ้านตรงเนี้ยเค้าจะ แล้วก็อีกอีกข้างบนที่ถ้าเราจะขุดดิน ก็ยังไม่อยู่จึงเจอได้แต่ 넣 compañ CA จะส therapeutic to use a เมื่อไม่มีใครสามารถที่จะไล่งูใหญ่นั้นไปได้นายๆคลายขนด ได้เข้ามาดูเด็กชายปู่ลูกของตนก็ได้ โอจึงคาช็อตไปแล้วก็มีอ่าพรเมือก ได้ปรากฏให้เห็นในเวลาต่อมาเมื่อเศรษฐีป่านได้บีบ เศรษฐีปานจึงต้องนําลูกแก้วนั้นมาคืนพร้อมกับ จึงลูกแก้วนี้ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในเจดีย์แก้ว ต่อมาเมื่อเด็กชายปู่มีอายุเจริญวัย ครั้งเมื่ออายุได้ 15 ปีสมภารจวงจึงได้บวชเด็ก นายหูผู้เป็นบิดาก็ได้ถวายลูกแก้วนั้นคืนให้กับสามเนนปูเก็บรักษาไว้บิดาต่อมาได้ถวายลูกแก้วนั้นคืน มั่งประมาณ 4 กิโลเมตรในปัจจุบันนี้สมเด็จพระชินเสนีบางตำนานเรียกว่าพระ ก็สามารถซึมซับรับเอาความรู้ความสามารถนั้นไว้อย่างเต็มเปี่ยมตลอดเวลาแห่งการศึกษาจากวัดศรีครูอย่างเมืองเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งถือ มาศึกษาอยู่กับพระครูกาเดิมจนอายุอุปสมบทและ โดยมีพระมหาปิยทัสสีเป็นพระอุปชาตพระมหาพุทธสาครเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสามีราโมซึ่งต่อ และต่อมาก็เรียกกันว่าที่ทํายัตติอุปสมบทนั้นต่อมาก็เรียกกัน 1318 เป็นวัด มาศึกษาอยู่ที่วัดเสมาเมืองจนกระทั่งอายุครบการอุปสมบทได้ทําการอุปสมบทที่ พอถึงเวลาอุดรสมทบท่านได้เดินทางอุดรสมทบคือพัชราแพที่ ความใฝ่ฝันในการศึกษาหาความรู้ของ สายเรือสำเภาของนายสำเภาอินทร์ แล่นเข้าสู่เขตหน้าน้ำหน้าเมืองชุมพรก็ได้ เป็นเพราะรับเอาพระภิกษุเจ้าสามีรามาด้วย ก็เจ้าสามีราประกายโชติช่วงขึ้นเจ้าสามีรามจึงบอกให้ลูกเรือนั้นตักน้ํา ทหารก็พากันกราบขอขมาและ ได้แล่นเข้าสู่เขตพระนครศรีอยุธยาเร็วกว่าที่คาด ไว้คอยปฏิบัติเจ้าสามีราอีกด้วยต่อ จึงได้นิมนต์ให้มาพำนักอยู่กับ ลุ 2149 สมเด็จพระซึ่งได้เสด็จสวรรคตแล้วได้ 2148 พระเจ้า ได้ส่งคณะราชทูตกลางเข้าทั้ง 7 เข้าถวาย 84,000 เมล็ดนั้นให้ 7 วันหากทรงกระทํามิ และจะต้องจัดส่งเครื่องราชบรรณาการให้แก่ ที่จะไปหาผู้มาแก้ปริศนาธรรม เราปราดราชบัณฑิตทั้งบรรพชิตและคฤวาสต่างก็ไม่สามารถแปล มีช้างเผือกใหญ่ช้างเผือกใหญ่วิ่งมาจากทิศใต้แล้วก้าว ได้ถวายความไว้ว่าถวายความไว้วางพระเกียรติยศแห่ง ก็ส่งโอกาสนั้นปิติพระทัยเป็นยิ่งดับ หุนสีทนนชัยก็ดีใจยิ่งหนักรีบแจ้งให้สาบภัยของแผ่นดิตทันทีและเจ้าสามิยรามก็รับปากที่จะลองเข้าไปแปลปริศนาพระบารีทองขับนั้นโดยไม่ลังเล่งแม้จังแต่ก่อนที่เจ้าสามิยรามจะเก้าเข้าไปในทองพระโหนั้น ผู้ที่นายสําเภาถวายไว้ให้ปฏิบัติได้ เจ้าสามีราสามีราก็ได้คลานเข้านมัสการกราบสมเด็จ คำรู้ระหว่างเด็กที่เกิดมานั้นกี่ สุภวะดีศรีแห่งดวงเมืองสีอยุธยายามนั้นแข็งแกร่งนัก และในเจ็ดแถวนั้นใน 7 แถวนั้นเจ้าสามิยราก็ทราบด้วยสังวิทาอุกะจะมา หรือที่เราเรียกกันว่าคาถาพระบาลี 7 ท่านจึงทวงถามเอากับพราหมณ์ทั้ง 7 พราหมณ์เฒ่าทั้ง 7 ถึงกับตื่นตะลึงพากันก้มลงกราบ ด้วยบุญญาธิคุณยังความปลืมปิติพระไทยให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งนักที่เปี่ยมปราดสามารถพา และเครื่องราชบรรณาการ 7 พร้อมทั้งทรงยกเมืองอีกกึ่งหนึ่งที่ สมเด็จธรรมนักโปรดสั่งสอนชาวเมืองอยู่ณสมเด็จ พำนักอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานี้หลายปีจนครั้ง ยั้งความโสมมในพระทัยแก่สมเด็จๆพระองค์ กลับต่อจากนั้นมินาวัดพัทธสีห์หะบรรพตพระโคด รุกขมูลลงทางใต้ลงทางใต้เทศนาสั่งสอนและช่วย เพื่อนมัสการครั้งนั้นอาจารย์จวงอันถือได้ว่าเป็นพระ สำหรับประวัติความเป็นมาที่นั้นไม่ได้ห่างนักกับวัดพระโคนั้นเป็นวัดเก่าที่ วัดพะโคจึงกลายสภาพเป็นวัดร้างไร้สมเด็จ จึงได้จาริกเข้าสู่พระนครศรีอยุธยาอีกครั้งเพื่อทูลถวาย และเสาะหานายช่างผู้ชํานาญครั้งนั้น ชาวบ้านก็ตื่นออกมารับสมเด็จพร้อมกับแยกจายจ่ายหน้าที่ช่วยกันกับนายช่างผู้ชํานาญทั้ง 500 คนเช่นสร้างพระอุโบสถสร้างธรรมศาลาบูรณะปฏิสังขรณ์ พระพุทธบาทบรรพตและปูชนียวัตถุอื่นๆอันรวมทั้งศาลาธรรมวินิจฉัยหรือ อันเกิดจากการบาทหมางวิวาทกันด้วยเรื่องที่ทํากินซึ่งเป็นที่ตัดสิน อาวาสอยู่ที่นี้และเมื่อพระ 990 ต้นไม่ต้องไปเสียที่อำเภอหรือที่จังหวัดและมี หรือว่าลาแย่งที่นากันในจํานวน ได้บูรณวัดพระสิงหบรรพตภโคนั้นได้ 3 ปีก็แล้วเสร็จและที่สมเด็จหรือ ตามที่คนทั้งหลายเรียกขานกันนั้นที่จนวันหนึ่งทั้งหลายเรียกขานกัน ละด้วยอธินิหารอันมหัศจรรย์แห่งหลวงพ่อทั่วทู่เหยียบน้ํา ได้เห็นแล้วก็ให้สงสารนักจึงเดินไป เมื่อบรรดาโจรสลัดได้ทดลองดื่มบ้างก็รู้ว่าน้ํานั้น เมื่อสมเด็จเจ้าพระโทได้ขึ้นฝั่งแล้วๆที่ขึ้นเคียงกันอยู่ 2 ต้นและ ซึ่งต่างเรียกกันว่ายางไม้ทาวในปัจจุบันนี้ได้ วัฏฏะสิงหบัญชรภโคนั้นด้วยศีลาจารวัตรแห่งพระอริยสงฆ์ที่ มีตำนานกล่าวไว้ว่าสามเณรองค์หนึ่งเมื่อได้บวชเรียนแล้วก็ได้ตั้งใจ ร้อนถึงพระอินทร์ต้องแปลงกายลงมาเป็นคนแก่และมอบดอก จนลุเข้าวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 สามเณรก็ได้มาพบเข้ากับ ตามที่ตั้งและในคืนนั้นไว้จึงน้อมถวาย ขอประกายทรงรัศมีสดใสลอยวนเป็นทักษิณานุวัตรรอบบริเวณ และ 2 เสียงแห่งสมเด็จเจ้าพระโข 400 กว่าปีมาแล้วและก็ มีภิกษุชราผิวคล้ำได้จาริกโปรดเวไนยสัตว์ด้วยความรู้ความสามารถที่ต่างก็ท่านว่าท่านท่านลังกาท่านนี้ก็ได้รับนิมนต์แต่งตั้ง ซึ่งตามตำนานการสร้างวัดได้กล่าวไว้ เดินวน 3 รอบพร้อมกับเป่งเสียงร้องขึ้น 3 ครั้ง ขณะที่หยุดพักนางเจสซิตี้ก็ได้เห็นกระต่ายขาวน่ารักตัวหนึ่งนางนั้นอยากได้นักจึง ซึ่งเรียก บริเวณที่ช้างได้มาหยุดส่ง และท่านเจ้าอาวาสวัดนี้จากรูปอันมหัศจรรย์ต่างๆนั้นผู้คนต่างกันอนุมานเป็นหนึ่งเดียวกันว่ากับสมเด็จเจ้าเป็นพระภิกษุองค์และต่างพากันหลวง แต่นั้นมาหลวงพ่อทวดล่ะ ท่านไปและกลับต้องเดินเส้นทางที่จาริกไปนั้นจาริกโปรดเวไนยสัตว์